บรรยายพระวินัยนักธรรมชั้นตรีเหมือนที่เก้าโดยพระอาจารย์บุญมีจันทรุปโมสวัสดีครับท่านเพื่อนสถาบันนิต่กำลังศึกษานักธรรมชั้นตรีทุกๆ ท, ท, ท่านในวันนี้เราก็มาเรียนต่อในโกเิวัตรที่สองแห่งวิทยาัยปาริจิตี อ่านบทที่สองนี้นก็มีสิบสิกขาบทอีกปันอ่าสิบสิกขาบทนั้นเราจะต้องท่องให้ขึ้นใจท่องให้จํำด้วยเพราะเป็นหลักสําคัญสำหรับพะยิ่งนายนั้นถ้าหากว่าอ้างหลักมาถ้าเราไม่ท่องไม่ได้ก็อ้างไม่ถูกมันการท่องจึงเป็นสิ่งสําคัญเกี่ยวกับหลักอาสิบสิกขาบทนั้นก็คือหนึ่งทิศหล่อสัมผัสมื่อขนเกียนเจือด้วยไหม ต้องนิสกิยะปาจิตตีสองที่สุล่อสัมผัสเมื่อขนเตรียร์ดำล้อนต้องนิสกิยะปาจิตติสาิทีุ่จลอสัมผั ส, ส, สใหม่พึงใช้ขนเตรียม์ดำสองส่วนขนเตรียมขาวส่วนหนึ่งขนเตรียมแดงส่วนหนึ่งถ้าใช้ขนเตรียม์ดำให้เขินสองส่วนขึ้นไปก็ต้องนิสกิยะปาจิตตี สี่พิสุหล่อสัมผัสใหม่แล้วคุงใช้ให้ได้หกปีถ้ายังไม่ถึงหกปีหล่อใหม่ต้างไิสกิยาป่าจิตติเร้นไว้แต่ได้สมมุติห้าพิสุจะหล่อสัมผัสคุงตัดเองสัมผัสเก่าขึ้นหนึ่งโดยรอบมาเป็นลงในสัมผัสที่หล่อใหม่เพื่อจะทาลายให้เสียสีถ้าไม่ทําดังนี้ต้องนสิสกิยาป่าจิตติ บอกพี่ตเลยนทางไกลถ้ามึงใครถวายขนเกียร์ต้องการก็รับได้แต่ถ้าไม่มีใครนํามานำมาเองได้เพียงสามโยกถ้าให้เกินสามโลกไปต้องไม่เขียขีป่าจิตติเจ็บพี่จุลย์ใช้ให้น้งพี่ตุลย์ที่ไม่ใช่ญาให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้สามก็ดีซึ่งขนเกียร ต้องไม่สกิยะปาจิตรีตลาดที่สืบเติมก็ดีใช้ให้คอื่นรับก็ดีซึ่งทองและเงินหรือยินีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อเติมต้องไม่สกิยะาปาจิตรก็ที่สุ่มทำการซื้อขายเมื่อเรื่ยะคือของที่เขาใช้เป็นทองและเงินต้องไม่สกิยะาปาจิตรี สิทธิี่จะแลกเปลี่ยนสิ่งของกับข้อหักต้องไม่สกิรยปาปารเจตีก็มีสิทิสิขาบทเดีวยวกันไม่ว่า เ, เราท่องจําหลักทั้งสิทิสิขาบทนี้ได้เน้นย้ำแล้วเราก็มามีคําอธิบายหรือว่ามาศึกษาอแต่ละข้อแต่ละข้อถึงคําอธิบายเหล่านั้นท่านอธิบายว่าอย่างไร ไม่ใช่ไม่สื่อข่าวบนที่หนึ่งนี้ที่ว่าพิสูจน์หล่อสัมผัสด้วขนเตรียมเกลียวด้วยใหมต้องเป็นศิลปะจิตตีข้อนี้ข้อคามที่เราควรกําหนดก็คือสัมผัสสัมผัสนั้นคืออะไรอ่าสัมผัสนั้นเป็นผ้าออย่างหนึ่งไม่ได้ทอแต่ใช้หล่อคือเอาขนเกลียมวาดเข้าแล้วเอาน้ำเข้าหรือของอื่น มีอย่างพอที่จะให้ขมเทียนจับกันเทมลงลไปแล้วก็เอาขมเทียนโรยมีเครื่องมีอเครื่องทับทําให้เป็นแผ่นหนาบางตามที่ต้องการแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่อน่าจะสงสัยก็คือคำว่าขมเทียนขมเทียนนั่นคืออะไรอาขมเทียนีก็อไม่คนคว้าหลายที่หลายแห่งก็ไป คบตัวกฎว่าขนเทียนนั้นก็คือขนแก่หรือขนแพะกันเองนะขนแก่และขนแพะนะเรียกว่าขนเทียมในทีน่นี้ในการรอจำถับอันนี้ในสิข่ขาบทนี้ก็ได้เรียกาเป็นจตุกะนิสกิยะปาเจตีด้วยนะท่านบอกว่าอ่าพิสุทำเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นทำก็ดีตั้งแต่ต้นจนสำเร็จนี้อทำค้างไว แล้วใช้ผู้อื่นทาต่อจนสําเร็จหรือใช้ผู้อื่นใช้ทําครั้งไว้เป็นทําต่อให้สําเร็จเป็นไมสกิยะทางนั้นเรียกสั้นๆว่าจะตุ ก, กะไมสกิยะปาจิตติเรียกว่าปาไมสกิยะปาจิตติสีต่ตัวจะตุเราก็สี่นี่หมือสี่ตัวกันไหนก็เราก็มาดูกันว่าสี่ตัวในที่นี้ระหว่าทําเอง จนสำเร็จมันไม่สะขีดปลายตีหนึ่งแหละใช้ให้คนอื่นทําจนสำเร็จจนไม่สัขีดปลายตีสองและนะเมื่อว่าทำค้างไว้ใช้ใช้ผู้อื่นทําต่อจนสำเร็จมันจะไม่จะขีดสามเลยหรือใช้ผู้อื่นทําค้างไว้นทำต่อจนสําเร็จ เป็นมิจิยะไม่ก็เป็นมิจฉญสี่ฉะนั้นเป็นสี่มิจฉญกรรเรว่าจตุกะมิจฉญาปลาปีฉะนั้นึงทราบจบธันในวให้มากตรงนี้เข้มาจตุกะมิจฉญาปลายปีมันมีไม่สิบขามดไหนแห่งรักอะไรเราก็จะตอบได้ทันทีว่าจตุกะมิจฉญาปลายปีมันมีไม่สิขามดที่หนึ่งแห่งโกรธเยาะเย้ยเกี่ยวกับการหล่อสัมผัสเมื่อผมเทียมเจียได้ไหม การทำศาสนาแห่งอําบัตในสิขาแบบนี้ไะหว่าทําเองหรือใช้สิ่งรมเพื่อใช้เป็นของอื่นนอกจากท้ารองนั่งเป็นทุกข์กอดลองใช้ของที่เขาทําไว้โดยปกตินั้นไม่เป็นอําบัตนะความมุ่องอหมายในสีขาแบบนี้ก็คือเพื่อจะกทำไม่ให้ตัวหมายต้องถูกต้มวอดวายหรือขนาดตัวหมายต้องถูกต้มวัดวายนี่ ตองที่ไม่เคยเห็นเตื้องใหม่ก็คงจะไม่ภาพไม่ออกเตื้องใหม่มันก็คล้ายๆกับหมอนชนิดหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งหมอนนี้ก็มักนิยมเลี้ยงกันทางภาคอีสานของประเทศไทยหรือภาคตะวันออกเิีงเหนือเขามีเตื้องใหม่แล้วก็เลี้ยงด้วยไใบหมอนนะก็มีวิธีการเลี้ยงอที่ค่อนข้างจะเอาใจใส่พอสมควรกว่าจะออกมา เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จนกระทั่งหลือเต็มเส้นไหมออกมาแล้วก็เอามาทอเป็นผ้าต่างๆนั้นถ้าหาว่าอาวิกสุเราต้นงดัดเยื้อไหม่ก็คงจะต้องเอาเอมาต้มขั้วไหม่ก็จะต้องถูกปดวายซึ่งไอ้ที่เอามาโป้มมันเป็นเาาขืเรเขาว่าหลอกมันเป็นออรังของมันชนิดหนึ่งหลอกคือวายศาสตร์เรียกว่าหลอก แลก็เอามาต้มต้แล้วก็มันก็จะเปลือเปลือแล้วก็มึงส้นออกมาได้เป็นส้นไหมออกมาได้น่นแหละเป็นส้นออกมาได้เพราะมตัวที่อยู่มองข้างเรามันก็จนถูกต้มหมดวหมไปด้วยนี่ก็คือว่าไม่ให้ถูกมาต้มตัวไหมเหล่านั้นตามมุ่งหมายของิี่ข่าวนี้ตันที่ข่าวนี้ ท, ท, ที่สองในโกศิวะนี้ก็คือพิสุลลสันทะเบื่ขอขนเกียร์เลือน ต้อนไม่สะเียปาจิตตีขนเตรียมดำเนล่นต้องไม่สะเขียปาจิตตีและสีขาวบทที่สามว่าพิสุจะหลอ่อสถัดใหม่เพิงใช้ขนเตรียมดำสองส่วนขนเตรียมขาวส่วนหนึง่งขนเตรียมแองส่วนหนึง่งถ้าใช้ขนเตรียมดำให้เกินสองส่วนขึ้นไปต้องไม่สะเี่ยป่าจิตตีอสีขาวบทที่สองกับสิขาวบทที่สามนั้นก็พูดถึง ขนเขียมดำก็คือว่าอ่าขนเขียมดำถ้ามีมากนั้นมันเป็นสิงที่มันประชิดโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาไม่นิยมกันนะเป็นสิ่งที่ข้าพหันเขานิยมกันในสมัยนั้นนะหรือสีดำมันเป็นสีเขาเรียว่าเป็นคนอใจดำอมหิทนะบางคนใจบาปหยาบช้าเปรียบด้วยสีดำ แล้วก็อาจจะเป็นของที่มันประชิดลับที่ใส่กันอื่นใช้หลู่ก็ได้แตนั้นจึงไม่ให้ใช้ขนียมดำเกินสองส่วนหรือดำเลื่อนก็นไม่ได้เกินสองส่วนในการใช้ขนเียมขาวขนเียมแดงเนี่ยถ้าขนียมดำเกินสองส่วนไปมันก็จะเป็นสีดำเข้าก็าจึงห้ามไว้ในสีขาบุทั้งสองนี้่ะซึ่งดำปจะชิดเราไม่ค่อยนิยมใช้สีอย่างนั้นโดยเฉพาะสีดำเป็นสีใกล้ากับว่า เนคนใจดำอมหิตอะไรทานองนั้นก็เป็นความไม่มเมยมต่างา้วยนะเพราะเป็นความไม่มเมยมของพิกษุุนะเป็นสีเหมือนของกรหัาทั่วไป ต, ต่อไปสีขาหวหนที่สี่สีขาวเหนที่สีว่าภิทธสุหล่อจันทร์ใหม่แลพึงใช้ให้ถึงหกปีถ้ายังไม่ถึงหกปีหล่อใหม่ตอนน้องฤทธิศาติจะตีะเล่นไม้จะได้ส ม, มุขหกปีก็เป็นถงอะแหละคือหกหกการสน ตัวหนึ่งในมาเลยเรียกว่าหัวหนึ่งะมันก็ยังใชใ้ได้ถึงหกปีหลอแต่ละครั้งแต่ละครั้งใช้ให้ทนทานก็ระมัดระวังในการใช้เรียกว่าประหยัดในการใช้ให้ทนทานหน่อยากการอบน้ำใช้ให้ขาดไวหรืออะไรไวนี่มันก็เป็นปัญหาจะต้องเสแสวนหาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความกังวลหลายอย่าง นะก็ให้ใช้ด้วยความประหยัดอยู่แล้วก็คาําว่าวนได้แต่สมมติในที่นี้ก็หมายถึงว่ า, าพิสูจน์อาพาธพิสูจอ า, าพาธนี่ก็หมายถึงว่าจ่าไปไหมายยังไงเนี่ยก็จําเป็นบางทีก็อ า, าพาธเกิดเอโรคต่างๆที่จะเปื้อนหรือที่จะอะไรชำทับหรือภาพปูนแม่งนี่ก็จําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ได้อันนี้ก็สมมติให้เปลี่ยนใหม่ได้ทําใหม่ได้ แล้วก็ฝึกสูดเพ่มีสัมผัสหายอนาจารย์ก็บอกว่าก็ควรจะได้รับสมมุติบุ ก, กันคือหายแล้วไม่รู้จะอยู่ที่ไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องหาสัมผัสซึ่งเป็นภาพพูดมั่งนี้ทําขึ้นใหม่ก็ได้กลับมาจนครั้งสมัยนั้นก็ทํากันแต่ว่าสมัยที่ไม่ต้องทำไม่รู้เลยอื่อเอาขาบัที่ห้ามต่อไปสิกอเขาบัที่ห้ามาฝึกสูดตลอดสัมผัสเพิ่งตัดเอาสัมผัสเก่าขึ้นหนึ่งโดยรอบมาบนเรงในสัมผัสที่เราใหม่ ก็จะทำให้เสียสีถ้าไม่ทำดังนี้ต้องนิสกียาปาจิตีวิธีทมนั้นท่านให้ตัดเอาครุฑสุคตหนึ่งวัดโดยรอบแห่งสังขัดเก่าวลาดลงไม้อเอกเทศหนึ่งหรือซีบหนึ่งตนกับขมเทียมที่หล่อใหม่ใ น, ในวิธีรอกก็คือให้ตนกันเป็นการทำลายให้เสียสีเมื่อหาสังข เราไม่ได้จะเป็นข้าแต่น้อยหรือไม่ได้เป็นเลยแต่เล่ของที่คนอื่นทําและใช้อยอ่าไม่เป็นธรรมะนะสิขาบอนี้ความมุ่งหมายก็คือว่าป้องกันไม่ให้ทําสัมผัาใช้ที่มีสีิจิตพิสดาณ์นั่นเองก็ได้กล่าวเลยว่าสื่อๆน้ำใช้ของที่พอใช้ได้ให้มีความมั่น้มยสันโดษก็ไม่ต้องใช้สีที่วิจิตรพิสดารแมก็ให้ทําลายเสียสีอย่างนี้ สิขาบทต่อไปคือสิขาบทที่หกความว่ า, าเมื่อภิกษุเริ่มทางไกลถ้ามีใครถวายขนเกี๊ยมต้องการก็รับได้ถ้าไม่มีใครนาม า, มามนำมาเองไม่เพียงสามโยกถ้าให้เกินสามโลกไปต้องมิสกิยะปาจิตตีเน่ยเกินสามโยกไปเป็นจิตกินะป่าจิตตี อันนี้ก็หมายถึงการที่พี่จะบังจาาิกเที่ยวไปในที่ต่างๆมนทางไปเกิดใครมีศรัทธาภาษาพลเรื่องใสในการที่จะถวายขขนเจียมอันนี้ถ้ามีความประสงค์ต้องการก็ให้รับได้แต่ว่ารับแล้วจะนำไปเองก็นำไปได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตไม่เกินสามโยศสามโยศนีไกลแค่ไหน อันนี้ก็เป็นสามยอดหนึ่งมันมีสี่ร้เส้นนี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งยอดสามยอก็ก็เท่ากับกี่เส้นก็คูณเข้าไปนะสี่สามสิบสองก็ทำสองร้เส้นนยเป็นห น, นึ่งยอมันไปไม่สามยอดนยถ้าฮะไม่มีใครมันไปมันไปเองเพียงสามยอ นี่ถ้ามันมาไปเกินนั้นอันนี้ท่านปับอาบัตมันไปเกินสามเมื่อดิครับอะบาบัติข้อที่ควรกําหนดในสี่ขามบทนี้ก็คือโลกหึ่งในประเทศไทยเท่าไหรนั้นสี่ร่เช่นและอีกนามหนึ่งที่ควรกำหนดก็คือขนเกี่ทําเำจนสิ่งของแล้วไม่นับเข้าในสี่ขามบทนี้คือมันจะไม่ถ้าเราทำเป็นสิ่งของแล้วเช่นทำเป็นสัญลักหรือทําเป็นอย่างอื่น ก็นั่งไปได้เกินสามโลกเมื่องนั่นนไปอยู่ในระหว่างทางเชื่อคราวและนั่นต่ปไปอีกก็ได้าำว่านําไปแล้วพักเชื่อคราวแล้วนําไปต่อได้เหตุที่ไม่ให้ถือเกินกําแบบนั้นก็ท่านบอกว่าที่สื่อทือเช่นนั้นนเดินทางโดยไม่งามเพราะมันเดินทางไกลมันเดินมั น, นจะวุวออ่นวายลื่นลางเดินทางไกลก็จึงห้ามไว้ในสิขาบทนี้ ซึ่บรรดาบนไม่ก็คงจะไม่มีใครจะถวายสิ่งที่เป็นขนเกียรอย่างนี้หรอกแต่ก็เพิ่มจิตใจให้เกิดความพอใจตามสมควรอาสิขาบทที่เจ็ดที่ส่วนใช้พนางที่ส่วนมึงที่ไม่ใช่ญาติให้ทราบ ก, กด็ดีให้ย้อนกด็ดีให้สาง ก, ก็ดีซึ่งขนเกียรต้องไม่จะเกียร์ป่าจะตีอันนี้ก็เหมือนกับสิขาบทที่ได้กล่าวไว้ ใกจี卡尔บทที่สี่แห่งกีโวนว่าที่เกี่ยวกับการไม่ให้พิสุใช้พลังพิมีที่ไม่ใช่ญาติเช่นกันไม่ใช่ญาติให้สักให้ย้อให้ทุบโอดีซึ่งกีโวนเก่าอันไ้ก็เช่นเดีกันนะให้ซักให้ย้อให้ทุบให้ให้ย้อให้สางซึ่งขมเกียนนั้นก็ห้ามเชนเดียวกันเพราะว่าเอพิสุมีมันเป็นฝ่ายสตรีฝ่ายผู้หญิงถ้าเราไปใช้ ่คนอื่นซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ญาติให้เขาทำก็อาจจะทําด้วยความไม่พอใจก็ได้หรือถ้าก็เชิดสมุมนไพรมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความที่จะให้เกิดอันตรายแก่การไปใช้สมุนไพรไปก็ได้เพราะว่าหญิงกับชายที่อยู่ใกล้ชิดกันนั้นก็ไม่ค่อยดีมากเทา่าไหร่ก็ที่ห้ามไว้ไม่ให้ใช้ก็ดีลหละสมการที่จะดื่มาตุขามหร เสเตเปอร์น้นตามหลักตั้นบอกว่า อ, อมีลักษณะอยู่ห้าประการนะก็หนึ่งสนใจในการที่จะเห็นสองสนใจในการที่จะฟังเสียง อ, อสอมต้องการที่จะพูดจะคุยจะสนทนานกันสี่ต้องาจที่จะเลื่อนใช้และห้าต้องาจที่จะถูกปายต่อกายซึ่งกันและกันมันเป็นลำดับไปอย่างนี้นะจนว่า เราต้องตามจะได้ยินเขาเสียงเขาพูดอะไรอะไรเมื่อได้ยินเสียงก็อยากจะเห็นไม่เห็นก็อยากจะคุยเมื่อคุ้ก็อยากจะช่วยอาใช้จําถึงนันใช้ทำสิ่งนีน้ใช้ไปใช้มามันก็ต่อไปก็จะเกิดกายต่อกกายคือจากตั้งกายขึ้นมาเมื่อตามไม่ให้เช้านั่นก็เป็นการดีที่ตัดต้นเลยไม่ให้ไปไใกล้ชิดมากเกินไปสนิทสนมนมากเกินไปก็จะไม่เป็นอันตรายแห่งการพิสูสัมจักร มีสิขาบทเอ่อที่หกตอนนี้นสิขาบทที่เจ็ดความว่าพิสจ์ใช้มังอ่าอ่สิกาบทที่สิขาบทที่เจ็ดตอนไี้เป็นสิขาบทที่แดว่าพิกษจน์รับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่นทองและเงินรือยินมีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อเตนมต้นนิสกิยะตาจิตตีข้อนี้ก็ เ อ, อคำว่าเงนินลิศทองนั้นก็อหมายถึงของที่เขาทําเป็นเรื่องพันเราก็ตามหรือไม่ได้ทำเป็น เ, เร่องพันซึ่งยังเป็นแท่งเป็นลิ่มอยู่ก็ตามเป็นเรืยปยะคือของที่อยู่สําหรับจ่ายยูก็ตามในที่สุดของที่ไม่ใช่ทองเงินแต่ใช้เป็นเรืเ่ยปยะได้เช่นธนรมบัตรก็นับว่าทองเงินในที่นี้เบื่อมันกัน มันก็เริ่มงนี้ก็จไม่เป็อะไรมากก็คงจะเข้าใจดีแท้ใ น, นเมื่อจนี้ตรคียาก็ต้องเสียสละมิตรเสียสละทองเงินนั้นก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากการเสียสละเพื่อติดต่เสียสละผ้านะท่านบอกว่าทองเงินที่สละแล้วตามสีขาวแบบนี้ท่านสอนว่าพึงบอกให้แก่ปิมาศผู้ดำเอิมมาถึงเขา้าถ้าเขาไม่เอาพึงขอให้เขาเชื่วงทิ้ง ถ้าเขาไม่รับพึงสมมติท mm mm mm er> oh huh. hmm ึ้งส่วนนิหนึ่งเป็นพุทิทิ้งส่วนที่จะได้รับสมมตินั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ห้าองค์ห้ายางก็คือสี่ยางนั้นไม่แก่ไม่ลำเอียงเลยอากาิทั้งสี่จนไม่ลำเอียงเพราะอชอบไม่ลำเอียงเพราะอรักใคร่กรรมไม่ลำเอียงเพราะชอบพอไม่ลำเอียงเพราะอ่ะเละไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะกลัว ไม่ลำเอียงไม่อคติสี่แล้วก็รู้จักว่าอจะทําอย่างไรเป็นอันทิ้งหรือไม่ทิ้งต้องรู้จักต้องประกอบด้วยองค์ห้าไม่ลำเอียงไม่อคติสี่แต่และก็ต้องรู้จักว่าทิ้งอย่างไรเนี่ยพิสูนนจน์จริงสมควรที่จะได้รับสมมุติมาพิสูที่ได้รับสมมุติแล้วก็เมื่อทิ้งก็ยังหมายที่ตกเรียกหลับตาคว่างทิ้งไปเลยกันได้ไง ถ้าไม้ที่ ต, ตก ต, ต้องระมัทุกข์กดอีกหลันต้อ ง, งทิ้งควางทิ้งอะไรที่ตไปไหนช่างมันนะช่างมันไม่ต้อ ง, องปไปที่เราจะไม่ให้ตกจนมันเรจะเก็บเอาไม่ได้เป็นทุกข์กอด น, ะนี่สิกงคาที่เกี่ยวกับในสิกงคาแบบในสิกงคาแบบนีนะ้เกี่ยวกับงนหรือทองนี้อาจารไม่ยินดีรับเงนินหรือทองที่เขาเก็กบไป้เพื่อตนที่ว่านี่ก็คือว่าแม้จะไม่นะครับแต่ยินดียินดี มันทองที่เขาเกิดมาเพื่อตนหมายถึงว่มีกรรมสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ในเนทองเงินนั้นถือเอากรรมสิทธิ์ในอันที่จะเป็นเจ้าของในเงินนั้นก็เหมือนกันโดยไม่สกิรยาปารจิตเหมือนกันแต่ว่าในภายหลังก็อเมยะถ้ายินดีได้จะให้ยินดีของที่เกิดจากเงินนั้นก็เนื่องจากเงินอัศว์ะะเศรษฐีได้ ขออนุญาตในการที่จะถวายสิ่งที่เป็นกัปปิยะไร้สิ่งที่อสมควรกับสมณะไว้ให้ที่สืเรียอร้องได้กับบอยังวันกรก็ส่งอนุญาตไว้ฉะนั้นมันก็เงินทองให้คนอื่นเก็บใบให้หรือนักเก็บใบให้แต่ไม่ให้ยินดีเงินให้ทองแต่ให้ยินดีของที่เกิดจากเงินที่ละทองที่เป็นกัปปิยะควรแก่สมณะยินดีได้นะไม่เป็ไปอันนี้ยินดีได้สมอยากของที่เกิดจากเงินละทองเช่นวีวบุร อาหารอะไรที่จะผึงตได้จากเงินและทองนั้นข่าบทนี้ก็เป็นอาชีพการเมื่อไม่เจอจะมาจะยินดีและรับเข้าคมให้เป็นอมตะขา่า ว, าวบทที่เก้าข่าวบทที่เก้าพิสุทําการมซื้อขายด้วยรูปียะคือของที่เขาใช้เป็นทองและเงินต้องในสกียะป่าอิตติอาริตตยะ เป็นเป็นเงินของของประเทศอินเดียซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ยังใช้เรียกว่ารูปีรูปีเงินของอินเดียในปัจจุบันนี้ก็เงินไทยเงินรูปีเท่ากับเงินไทยสองบาทห้าสิบ ท, ที่เราไปแลกเขาแลกเขาเที่เราไปแลกเขาอย่างนั้นันรูปีก็เป็นเงินของประเทศอินเดียเพราะว่า อ, อ่ที่เรียกว่ารูปีในที่นี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ ประเทศที่ประเทศอินเดียในสมัยครั้งนั้นไม่ชื่อว่าประเทศอินเดียเราเรียกันกชมพูทวีนี่นัข้อคามที่ควรกำหนดในสิขาบทที่เก้านี้ก็คือหมายถึงนงนทองที่ของอื่นอันใช้เป็นมาตราสําหรับแลกเปลี่ยนลักษณะแห่งการซื้อขายนี่เป็งการใช้ซื้อขายไม่แก่การอารมณ์แยกจ่ายซื้อกับ กับยศบริขารต่างชนิดจ่เป็นค่าแรงงานทําการต่างอย่างบ้างและวก็จ่ายเป็นค่าอื่นอีกบ้างก็ศิขาดุลนี้ก็เรียกว่อมีประโยชน์ในอันที่จะมาว่เ า, เอ า, เ, อาเอาทองหรือเงนินที่เป็นเศรษฐกิจข้าดุลก่อนมาจ่ายซื้อกับยะบริคาหรือจ้างคนทําการงานในในศิขาดุลสิ่งเก้านี้นะก็ก า, ารศึกละก็เหมือนกัน ขรหาดเนี่ยนบัตก็ต้องเสียสละกพอเสียสลาเหมือนการเกี่ยวกับเงินทองต้องเสียสละในสงสงสมมติไม่สูจน้างที่คือไม่สิน้าหมดที่สุดซึ่งเป็นสินาหมดที่สุดท้ายในรัดนี้ในกลักนี้ก็กาวว่าอาสุตแรกเงนสินของกับขรหัสต้องไม่ตียักาตายที่ต อาข้อคามที่ควรกาหนดในสินค้าแบบนี้ก็คือลักษณะการแลกเปลี่ยนเรื่องการแรกเอาหรือรับเอาของอันเป็นกับเปียด้วยของอันเป็นกับเปียะเหมือนกันคือของที่ควรเหมือนกันเนี่ยเช่นการที่ทํากันในระว่างคนขายของอจะเป็นเครื่องใช้กับชาวนาผู้ซื้อเลือกข้าเปรือกเพราะซื้อขายโดยวิยะข้ามด้วยสินค้าแบบนี้เหมือนกัน มันตามทําการซื้อขายเมื่อโรปียะ น, นี่ว่าอการแลกสิ่งของต่างๆเมื่อสิ่งต่างๆนั้นก็ก็เป็นอันแรกเพราะไม่ได้สาหรับจิตวสุขจะแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆจะแลกมือยุบทุกแย่อะไรก็แล้วแต่จะแลกอสิ่งต่างๆที่เป็นของควรนันห้ามไม่ให้จิตวสุขทาการแลกกับผู้ที่เป็นค้รห แม้แต่มีบามาณบาไม่เป็นญาติตอนก็ก็ห้ามเหมือนกันในการแลกข้อนี้นะแต่ให้ทรงแลกไม้ไม่เพื่อนไม่สหะธรรมทั้งห้าจนแรกกับภิกษุต่อภิกษุได้แลกกับภิกษุณีได้แลกกับสิกข า, านาได้แลกกับสัมมาเวนได้แลกกับสมมเวรีได้แต่จะแลกกับครหัสนั้นไม่ได้ก็ผิดในข้อนี้คือในสิขาบทนี้ เรียกว่าทำการแลกเปลี่ยนกับสิ่งของเหล่านั้นไม่กับกั ค, คับไม่ได้ในการแรกกับผู้ที่เป็นสหธรรมนิธิทั้งห้าดังกล่าวก็ต้องแรกเลือกของที่เท่าเทียมกันคือเราม่มีราคาพอๆกันจึงจะแลกเปลี่ยนกันและก็ถูกต้องไม่เสียเปรียบไม่เียบอะไรนี่เป็นสิขาบทที่เราจะต้องศึกษา ให้ความใจพอสมควรในโกลสิวะซึ่งมีทั้งหมด10สิกขาบทด้วยกันอ10สิกขาบทนี้ก็ในปัจจุบันนี้เราก็ศึกษาให้เข้าใจเท่านั้นแต่การที่จะปฏิบัติบางสิ่งบางประการก็คงปฏิบัติได้ยากยิ่งสิกขาบทที่เกี่ยวกับนมงพิกษมีก็ปัจจุบันนี้ก็ไมงมีแล้วซึ่งมีเกี่ยวกับนมงพิษมีอยู่3สิกขาบทด้วยกัน ก็สิกขาบทที่สี่สี่ห้าแห่งยิสาวาทว่าแห่งอีวลัตและก็สิกขาบททีเ่เกี่ยวกับการใช้ให้มันพิษุณีให้รักให้สาว ใ, ให้ย้อมซึ่งขมเตรียมซึ่งก็มาอยู่ในสิขาบทที่ 7, เจ็ดแห่งโกศล ก, ก็เลือนแต่เรื่องของพิษณุณีฉะนั้นเรื่องพิษณุณีปัจจุบันก็ไม่มีโอกาสที่จะต้องบัตในข้อนี้แล้ว แต่การที่จะใช้ให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่พิษุมีจะเป็นชีก็บางก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่เหมือนกันซึ่งมาด้วยพิเนีแตเป็นชีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเอามาใช้เองกันแล้วหรือนเรืองของข่าวก็ไม่เสียอะไรไม่ไม่ไม่มีโทษอะไรนะนะแต่ก็อย่าได้ใช้ชาวบ้านทั่วไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้งวันนี้เราได้ศึกษาในโกฎิวัตเอ่อนึ่งเป็นวัดหนึ่งในนิ้สกิยปายตีคือเป็นวัดที่สอง ก็พอจะเข้าใจในเวลาของเราก็หมดลงแล้วพอสมควรขอความสุขความสวัส ด, ดีจงเกิดมีแก่เพื่อนสหาริทั้งหลายที่กำลังตั้งใจศึกษาเราเรียนนี้โดยทั่วมากันเถอดสวัสดีครับท่านเพื่อนสถธริทุกรูปที่กำลัง ศึกษานักธรรมชัางตรีวันนี้เราก็มาเรียนวินัยต่อวันนี้ก็เรียนในปัตตวรัตน์ที่สามในนิสกียปาเจติกันปัตตวรัตนที่สามก็ว่ากันเรื่องของบาตเป็นข้อต้นเลยทีเดียวปัตตวรัตที่สามในมีสามีสิบสิกขาบทในสิบสิกขาบทนั้น เราก็จะต้องท่องให้ขึ้นใจเหมือนกันนะท่องให้จําได้ก็แต่ละข้อแต่ละข้อนั้นก็มีความสำคัญเหมือนกันแลนั้นเราต้องท่องให้ได้ทั้งสิบข้อปัจจที่สามมีิตสังขาหมดสังขาหมดที่หนึ่งบาสนอกจากบาตอธิฐานเรียกว่าอาตรกบาต อดีตยบาทนั้นภิษุเก็บไว้ได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้ล่วงสิบวันไปต้องนิสกียะปาจิตตีสองพิสุมีบาทแ้้วยังไม่ถึงสิบนิ้วขอบาทใหม่แต่คารหัสที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องนิสกียะปาจิตตีสามพิสุรับประเคนเพศัช ท, ทั้งห้า คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วเก็บไว้ฉันได้เพียงเจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้ล่วงเจ็ดวันไปต้องนิสคิยปาจิตตีสี่ฤ ด, ดูร้อนยังเหลืออยู่อีกเดือนหนึ่งคือตั้งแต่แรงค่ำหนึ่งเดือนเจ็ดจึงแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนได้ เมือระดูร้อนหนื อ, อยงอีกกลุ่มเดือนคือตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งเดือนแปดจนทานุ่งได้ถ้าแสวงหาหรือทมนุ่งให้น้ำกว่ากำหนดนั้นเข้ามาต้องมีสกิยปาจิตติถ้าพี่สูให้จุยงแก่ผี่สู้อื่นแล้วโกรธชิงเอาคืนมาเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นชิงเอามาก็ดี ต้องนิสกียะปาจิตติหกพิสู่ขอได้แต่ครหัตที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประวารณาเอามาให้ช่างหูกทอเป็นจีวรต้องนิสกียะปาจิตตีเจ็ดถ้าครหัตที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประวารณาสัางให้ช่างหูกทอจีวรเพื่อจะถวายแก่พิสุ ถ้าผู้สูงไปกำหนดให้เขาทําให้ดีขึ้นด้วยจะให้รางวัลแก่เขาต้องนิสคียปาจิตติแต่ถ้าอีกสิบวันจะถึงวันบวารณาคือตั้งแต่ขึ้นหกข้าเดือนสิบเอ็ดถ้าทายกรีบจะถวายผ้าจำนำ ร, รมสาก็รับเก็บไว้ได้แต่ถ้าเก็บไว้เกินการจีวรไป ต้องนิสกียาป่าจิตตีการจีวร น, นั้นบางนี้ถ้าจำพรรษาแล้วไม่ได้กราบกระถินนับแต่วันประวรนนาไปเดือนหนึ่งคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนเสด็จถึงกลางเดือนสิบสองถ้าได้กราบกระถิม น, นับแต่วันประวัรณาไปห้าเดือนคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนเสด็จถึงกลางเดือนสี่เก้า ทิสุจำพรรษาในเสนาสนะป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวออกพรรษาแล้วอยากจะเก็บปลายจีวรถืนใดถืนหนึ่งไว้ในบ้านเมื่อมีเหตุก็เก็บไปได้เพียงหกคืนเป็นอย่างติ่งถ้าเก็บไว้ให้เกินหกคืนไปต้องนิสกียะป่าจิตติสิทิสุรู้และน้องลาบ ที่เขาจะถวายโสมมาเพื่อตนต้องม่สกิยปปาจิตติอันนี้เป็นเป็นสิกขาบทที่เราจะต้องกำหนดท่องจำให้ขึ้นใจทีนี้เราก็มาศึกษาในแต่ละสิกขาบทแต่และสิกขาบทเพื่อความเข้าใจในคำอธิบายต่างๆที่ท่านอธิบายไว้ ทิ่ขามบทที่หนึ่งที่ว่าบาสนอกจากบาตอธิฐานเรี่กว่าตะเดกบาตอันตะเดกบาตนั้นพิสกเก็บไว้ได้เพียงสิบวันเป็นอย่างมากถ้าล่วงสิบวันไปก็เป็นสันกขีปาจิตติข้อความที่ควรกหาหนดในสิขาบทนี้ก็คือเรื่องบาตบาตนั้นก็เป็นบริขารของพิงสุอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่ในบริขารแปดแล้วก็เป็นบริขารที่สําคัญมากด้วย เรื่องการที่เข้ามาบวชนั้นมีบริขารที่ขาดไม่ได้ก็มีใจจีวรกับบาสนอกนั้นก็ขาดได้ไม่เป็นปไม่เป็นไรแต่บาศกับจีวรนั้นถ้าไม่มีก็ห้ามไให้บวช ด, ด้วยนั้นบาศจึงเป็นบริขารที่สําคัญสําหรับผู้ศึกราะบวชเข้ามาแล้วก็จะต้องอาศัยบาสนี่แหละเพื่อความเป็นอยู่คือต้องออกบิณฑบาต างานชีวิตไม่เป็นไปได้ในการที่จะประพุทธพรมอาจารย์นันบาตรจึงถือว่าเป็นบริขารที่สําคัญบาตรนะมีที่กล่าวไว้ในรขั้นในนั้นมีอยู่สองอย่างคือบาตรเหล็กกับบาตรดินเผาที่ทรงอนุญาตส่วนที่ไม่ทรงอนุญาตมีหลายอย่างเมื่อเราพูดที่ทรงอนุญาตให้ที่จุใช้ได้ นี่สองชนิดคือแบบที่ทํด้วยเหล็กและก็แบบที่ทํด้วยดินเผาขนาดของบาตรที่ระบุไว้ในพระยินัยก็มีอยู่สามขนาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นั้นบรรจุข้าวสุกแห่งข้าวสารแล้วก็ข้าวสุกที่บรรจุนั้นก็มอริโภกหรือชันไม้ชั้นสิบคนอิ่มันได้สิบคน สนขนาดกลางก็บรรจุเข้าสุกฉันได้ห้าองค์หรือห้าคนขนาดเล็กบรรจุเข้าสุกสองคนจุงอิ่มถ้ากินเหลือสองคนกินเหลือสามคนไม่พอกินไม่ว่ากันโดยโดยมโนภาพอดีนะไม่บริโภคมากเกินไปเพราะว่ากันแต่ละบุคคลแล้วก็ไม่เท่ากันคือบางคนเนี่บริโภคมากฉันมาก เนื้อเป็นบาตขนาดใหญ่ที่มังงกิดบอกเลยก็มีก็ไม่แน่แต่ว่าหันโดยเฉลีย่ยทั่วไปสําหรับฉันพอดีพอดีแล้วเป็นอย่างนั้นนะมีสามขนาดขนาดกลางขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นั้นบาตรนิสวรุญาให้ที่สูงนะนั้นมีได้เฉพาะใบเดียวนะไม่ให้เกินไม่ให้มากมีไว้สําหรับเป็นบริขารเฉพาะใบเดียว บาตรที่ไปสูต่ตั้งไว้เป็นบริขารใบเดียวนี่แหละเรียกว่าบาตรอธิษฐานคือเรื่องมีบาตรแล้วก็อธิษฐานไว้ใช้เพียงใบเดียวนะไม่ใช่หลายใบยถ้าหลายใบยก็เป็นอัติเรกไปก็ดกได้กล่าวว่าบาตรนอกจากบาตรอธิษฐานเรียกว่าอัติเรกบาตรคือเกิดไมรื่องแก่ไปสู่ตั้งแต่สองใบขึ้นไปเนี่ยเป็นอัติเรกแล้วเก็บไว้ได้แค่สิบวันก็นั้นไม่ได้ นะเกินนั้นก็เป็นนิสกียะปารจิตีก็เก็บไว้ไม่แค่สิบวันสำหรับบาตรนะนี่ลักษณะาแห่งอาบัติในสิ่ขาบทนี้พิสุไม่เสียสลรบาตรเป็นนิสกียปาจิ ต, ตีเมื่อมีอตัติเดชบาตเกินสิบวันนะใช้ส้อยบาสนั้นก็ต้องเป็นทุกกฎแต่บาตรเป็นนิสกียใช้สอยก็เป็นทุกกฎอีก ฉะนั้นก็ให้มีไว้เพียงใบเดียวสาหรับใช้บิณฑบาทจะเปลี่ยนหรือจะอะไรก็ต้องออของเก่าก็ต้องทิ้งหรือต้องให้ใครไปแล้วแต่สารสิ่งรอบทที่สองความว่าพิษุกมีบาทราวยังไม่ถึงสิบเมื่ขอบาทใหม่ต่อเครสะที่ไม่ช่ายากไม่ใช่ประวรนาได้มาต้องนม่สะคียยะปาจิตตีอ่าตอนนี้คียนปาิตี ข้อความควรกําหนดในข้อในที่ครับบทนี้ก็คือรอยร้าวที่ว่าบาดร้าวยังไม่ถึงศีรษนี่หยรอยร้าวแค่ไหนว่ารอยร้าวยาวตั้งแต่สองนิ้วจัดว่าเป็นแผลแห่งหนึ่งของบาดแผลนะร้าวยาวตั้งแต่สองนิ้วก็จัดมาเป็นแผลนั้นถ้าหากว่ามันร้าวยังไม่ถึงศีรนิ้วขอใหม่นั้นไม่ได้จะไม่ถึง ร้าวให้ถึงสิบนิ้วซะก่อนจึงจะขอได้เนี่ยนับว่าบาดนั้นเอ่ารู้สึกว่ามันแตกหรือมันร้าวเกินไปคือจะใช้ต่อไปน้ำเล็นข้าวมันก็จะรอบไม่อะไรได้ดังนั้นก็จะต้องเอ่อให้มันร้าว ถ, ถึงขนาดนั้นถ้าร้าวยังไม่ถึงขนาดนั้นไปขอบาดใหม่คือยังไม่ถึงสิบนี้วไปขอบาดใหม่ต่อขันหัด ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรวรนาเป็นไม่สกิริยานะแต่ถ้าขอต่อยัดต่อคนปวงนาไม่ได้นะขอต่อคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรวรนาเนี่แหละเป็นอาบัตถ้าไม่มาเมื่อได้มาเป็นอาบัติแล้วก็จำเป็นจะต้องเสียสละจึงจะแสดงอาบัติตกอาวิธีเสียสละบาตในรู้สึกค่อนข้างจะทีิสนานไปหน่อยนะท่านกล่าวว่าบาตเป็นวิธี นั่นท่านให้สละในสงฆ์เฉพาะสินค้าบทนี้นะท่านให้สละในสงฆ์โดยสมมติวิสุขที่ไม่ลูกอํานาจอคติและรู้วิธีเปลี่ยนบาทริสุนั้นก็พิงเอาบาตรใหม่นั้นถวายพระเถระเอาบาตรพระเถระถวายพระรูปที่สงองเค ร, รียดเถระปูนเลื่อนลงมาโดยในรูปเป็นลําดับลาดับจนถึงวิกษุใหม่ในสงฆ์แล้ว รับบาตรของพิสูจนใหม่นั้นมอบให้แก่พิสูจผู้นั้นไว้ใช้สอยคาว่าพิสูจนผู้นั้นก็คือพิสูจที่ไปขอบาตรจากกระหับนั่นเองไว้ใช้สอยต่อไปแต่ข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก, ก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษอนะไรนักหนาก็คือมา ท, ที่ี่ขอเข้ามาเป็นสักขีแล้วก็เปลี่ยนโดยเอาบาตรใหม่นั้นเนี่ยมาถวายทา่าเทระที่อยู่ข้างหน้า แล้วก็เป็นน้ำบาตรธาตเถนะก็ถวายองค์ต่อมาเอาบาทรองต่อมาถวายมันเรื่องจนกระทั่งพระนวกะองค์สุดท้ายและเอาบาตรของพระนวกาองสุดท้ายก็ถวายแก่ที่สุที่ต้องขอบาทมาจากกรหัแต่นที่จนนนินตนาลงแล้วก็ไม่น่านจะเสียหายอะไรก็ยิ่งบางทีเกิดพระนวกะองคสุดท้ายมีบาตรสเตนเลดเข้าแล้วก็ไปเอาบาตท่านไปถวายพระองค์ที่ที่ขอเข้ามาก็ยิ่งจะนับบาตรสเตนเดสก็ยิ่งจะดีกันใหญ่ แต่ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ทําให้เสียหน้าก็ได้ในการมศิษฐ์สละองนั้นก็พ้ะทั้งหมดก็ต้องรู้ต้องเห็นองค์ไนี้ไปกระทําอย่างนี้ซึ่งไม่ถูกต้องบามพระวินัยก็จะเถ็หลาบไม่ทําต่บ่ายแม้บางที่อาจจะได้บาตรดีก็ได้หรือบางที่อาจจะได้บาตรไม่ดีก็ได้แต่ท่านห้ามอย่างหนึ่งก็คือห้ามไว้ไม่ให้อธิษฐานบาตรเร็วดืหมายจะได้บาตรดีถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ปวดนี่มี่สิขาบทที่สอง เกี่ยวกับการขอบาทที่ขอต่อผู้ที่ไม่ใช่หักวิชาเอกประวัตนาคิถ า, ามบทที่สามภิกษุรับรสเคมเป็นสัตตะหาคือเนยใสน้ค้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วก็เก็บไว้ในชั้นฉันได้เพียงเจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้เรื่อมเจ็ดวันไปก็ต้องมีงสกิยญป่าจิตตี แข้อความที่เราควรกําหนดในสิขาบทนี้ก็คือเรื่องเภสัตว์ทั้งห้านะเภสัตว์ก็ว่ากันไงก็คื อ, อยาต่างเองนะเภสัชทั้งห้าเนย ใ, นน ใ, นใสเนยข้นเนยใเนยข้นนั้นทําจากน้ํำนมโคน้ํำนมแพะน้ํำนมกระมือหรือควายหรือจากน้ำลมสัตว์อันเป็นกัปเลียคือสัต์ที่ไม่ห้ามนะก็ ก็อเอามาทำเป็นในสายในคนได้ส่วนน้ำมันนั้นก็สกัดออกมาจากพืชต่งตางๆเ่นเมล็ดงาพันปกักันปรกกาดเมล็ดมะซางหรือมันได้เป็นมะหุ่หรือเอะไรอื่นๆเปลยสัตก์ก็ก็ได้น้ำมันนอกกว่าน้ำมันก็เป็นยาได้น้ำผึ้งอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปเป็นน้ำหวานที่เกิดจากมแมเงพุ่มึ้งได้ไปเอา น้ำหวานจากเกสรดอกไม้ต่างๆซึ่งเราก็ารู้จักกันส่วนใหญ่น้ำอ้อยนั้นก็คือรสหวานที่เกิดจากอ้อย เ, อเป็นน้ำอ้อยเหตุที่โซเวอร์ยาเพียงเจ็ดวันเกี่ยวกับเภสั์ตั้งค่านั้นก็เข้าใจว่าเพื่อจากกาอาไม่ให้ใช้ของเสียจนมีกลิน หรือมีรสเปรี้ยวอะไรลักษณะนี้ก็เป็นต้นฉะนั้นก็ในเรื่องเพศัชมีเป็นยาก็จริงอยู่มันก็หมดอายุได้ถ้าเก็บไนนาน ม, มันก็เสียได้เหมือนกันอ่มั น, นยาปัจจุบันท่านจริงบอกกำหนดเวลาใช้ไว้กี่ปีถ้ากำหนดแล้วยามันก็จะหมดคุณภาพบริโภคก็ไปก็เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคก็มีงเรื่องของยาก็ควรที่จะต้องรู้จักล้มกัน ว่ามันมีอายุเท่าไหร่แต่ในเทัตั้งห้านี้ที่พระพุทธองค์ได้จงบัญญัติให้ใช้ได้แค่7จดวันนั้นก็ไม่ถืิกับเป็นการหมดอายุแต่ว่ามันอาจจะแปรสภาพเป็นของเปรี้ยวของอายเมื่อบริโภคกขไปมันก็อาจจะเกิดโทษได้เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักทำความสะอาดมันก็บูดมันก็เสียได้เด้งง่ายเหมือนกัน ในลักษณะแห่งอบัติในสีขาบทนี้คือว่าภิกษุผูงใจไว้ก่อนว่าจะไม่บริโภคเรื่องเจ็ดวันไปไม่เป็นระบาดของสูญหายเสียก็ดีขาดกรรมสิทธิ์ของเป็นแล้วก็ดีในภายในเจ็ดวันที่ว่าไม่มีแล้วไม่เป็นรอบัตดเหมือนกันอันนี้เมื่อของเหล่านี้เป็นอบัตดก็ให้เสีสละถ้าเสียสลากแก่อันนี้ป็นสมบันิ เช่นสมณีนหรือคารณะยากโดยคนทั่วไปก็เลือสระให้แก่ท่านเหล่านั้นแล้วอได้คืนมาหมายถึงว่าได้คืนมาอีกอาจจะถวายตอบถวยคื้นม า, านท่านบอกว่าฉันได้อีกนะเที่ศัตรทเจ็ดวันนี้แต่ถ้าให้ทิกสูอื่นอันนี้ไม่ควรฉันแต่จะเรียกว่าไม่เป็นมิจฉีก็น่าจะไม่รู้ นะคือไม่ควรฉันเพื่อนๆเขาว่าแล้วก็ถวายคืนนะนั่นบอกว่าควรฉันก็ดูที่นิจอยู่เหมือนกันในที่ขาวบทนี้แต่พิจอะไรก็ตามถ้าหากว่ามันเสียมันยังไงก็ไม่ควรฉันควรจะเอามาใช้ในการที่จะตามประเทศตามไฟได้ซึ่งอทอธิบายไว้ถึงสองอย่างท่านให้แก่คขนัดไฟ ถ, ถวายคืนนั้นก็ควรฉันถ้ามันหดล้วก็ใช้งงอื่นไปแต่บางหากเวลาให้แก่ทึกสุ เรื่องแคืนนั้นเรื่อนันไม่ควรฉันอันนี้ก็ฟังหรือว่มมาพิจารณาดูก็ก็เห็นว่าแปลกๆอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันต่อไปก็สีขาวบทที่สี่สีขาบทที่สี่ว่าเ ม, มื่อได้มีร้อนหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนคือขั้นระแรมขั้นหนึ่ ง, ง, งเดือนเจ็ดจึงสแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนได้เมือ่อมีร้อนหนึ่งเดือนอีกหนเดือนคือขึ้เดือนตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนแปดตึกจึงทำได้ ถ้าสมัหาหรือทาเรื่องให้น้ํากว่ากําหนดนั้นเข้ามาก็เป็นสกิยญาณเจตีข้อความที่ควรกำหนในสิกาขาบท น, น, น, น, น, น, นี้ก็คือถ้าอาบน้ําฝนถ้าอาบน้ําฝนนั้นเป็นของทรงอนุญาตเป็นบนขาที่เสกชั่วคราวของพุทธสุสุชั่วคราวของพุทธสุอธิฐานไว้ใช้ได้ตลอดสี่เดือนเป็ฤดูฝนเต้นจากนั้นก็เป็นธรรมเนียมที่จะต้องยึดกับทสงอนุญาตให้สมัหานั้นก็ในสิกขาบทที่ทรงอนุญาต ให้สเสวยห า, ารั้งกระดูฝนเข้ามาหนึ่งเดือ น, น, น, นรั้งกระดูฝนเข้ามาหนึงนน่งเดือนคือตั้งแต่เดือนเจ็ดเรค่ำหนึ่งถึงเดือนแปดขึ้นถึงห้าค่ำให้ทํำรุ่นได้อถ้ารั้งกระดูฝนเข้ามาเกินเดือนคือตั้งแต่เดือนแปดขึ้นถึงค่าเนี่ยถึงถึงห้าค่าไม่ได้ทำรุ่นนั้นนั้นพุทธารญ า, าตให้สเสวยหานั้นก็หมายเอาการขอต่อคณะผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประวัณนา แม้จะขอโดยฐานเป็นอาทิตย์ใวรนก็คงเป็นพิสคีถ้าเป็ น, เ ป, นเป็นการขอโดยอาทิตกวอนแต่ถ้าเป็นข อ, อ, อผ้าน้ําฝนก็ไม่เป็นอาทิตย์ียิวอนการทํำลุ่งนั้นก็หมายเอาการอธิษฐานไว้ใช้เป็นภาวัชิ ก, กัสาบตกขึ้นผ่านน้าฝนถ้าจะบริหานในสํานักของคนประวรนาหรืรอญาตที่ไม่เป็นดินญาติและใช้นุ่ง ื้วยได้อธิษฐานเช่นนี้ก็ได้บริหารจากอตัตเรกิวอนม่นับเข้าในสิขาบทนี้หมายถึงทำนุ่งนะแต่ถ้าหากว่าเอามาทำเป็นผ้าวัติกสรราสานดกกุ้ผานนํำฝนก็ไม่เป็นไรจะขอต่อยาตหรือขอต่อผู้ที่ไม่ใช่ญาติจะขอต่อยาติจะขอได้ตอนไหนก็ได้ ตะโกตะโกก็ได้ให้ญาตินั้นให้เสว่งหาได้ในระยะเหนึ่งเดือนก่อนที่จะเข้าพรรษาก่อนที่จะถึงฤดูฝนลักษณะแห่งอาบัติในสุขาบทหนึน่งก็เปนอันจิตกาคือน้ํามันพลาดไปก็ไม่เปนอาบัดเหมือ น, นกันในการแสวงหาหาผ้าอาบน้นําฝนเมื่อกอธิษฐานใช้แล้วในการฤดูฝนนี้เมื่อหมดฤดูฝนท่านก็ให้ไปกลับเอาไว้ไนปะกลับให้เป็นของสองฆ์เจ้าของเอาไว้ เนื่องจากพี่อนอยากให้พิเศษใช้พิเศษช่วงคราวช่วงระยะเป็นฤดูฝนท่านั้นในสี่ขาบที่ห้าความว่าพิสุให้จีวรแก่พิสุอื่นแล้วกรธชิงเอาคืนมาเองก็ดีใช้ให้คนอื่นชิงเอามาก็ดีต้องพิสกีละปาจะดีอ่ข้อความบนกําหนดในสี่ขาบทนี้ก็คือการชิงจีวรการชิงเอาจีวรคืนท่านปรับเป็นเพียงแค่พิสกีละปาจะดีเท่านั้น ในทีิค้าบทนี้ได้ปรับเป็นอบัตสูงกว่านั้นเพราะทํำมือสกะสัญญาคือสําคัญว่าเป็นของของตนอยู่ยังก็ท่านก็รับรองการสิตธิแห่งเจ้าของโดงมว่ายังมีอยู่ในปี่ว่นั้นจึงได้ปรับเป็นอวหารหมายหลับไม่ปรับเป็นการเชิงหรือวิงราวหรือแย่งเอาเหมือนกับที่เราไวในปาราชิกอันนี้เป็นเป็นสกะสัญญาที่สําคัญว่าเป็นของตนอยู่ จึงปรับแค่นี้ตะคียะปาเจ็ดตีดังนั้นการให้ยืีวอนไปคนอื่นไปแล้วจะชิงออกมาเพื่จะไม่เป็นอวัตติสิุ่งก็ไม่ควรเช่นเดียวกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นการชิงออกมาอย่างนั้นลักษณะแห่งอบัติในสิขาบนลูถ้าชิงบริขาอื่นนอกจากยวีวอนเป็นอบัติทุกกฎปรับทุกกฎชิงของอนุบุตรลำบันทุกอย่างปรับทุกกฎหมครับว่า ให้อ น, น้ปัฏฐานแต่แล้วชิงออกมาคืนอย่างนี้ไม่ปรับเป็นนิสสคีแต่ปรับเป็นทุกข์กฏในสิกขาบทที่ห้าสิกขาบทที่หกความสามารถพิเศษขอได้ต่อคันขัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวงวารณาเอามาให้ช่างิถูกทอเป็นจีวรต้องนิสสคียปาปาจิตติสิกข า, าบทนี้ก็แตกต่างกับสิกขาบทที่เราเรียนมาแล้วที่ไหมข อ, อให้เขาทอจีวร แต่ที่นี้ขอไดนะ้ขอผ้าที่ทอแล้วห้ามเลื่สิศีรษะหมดที่กล่าว่าในขอไม่ขอการขอจีวร น, นะแต่ในศีราะที่ขอได้มาให้เขาทอห้ามเลืส่สนศีรษะหมดเลอันนี้ก็เป็นการห้ามที่จะต้องใช้คารวาสในการที่จะต้องทอจีวรต่างๆซึ่งปัจจุบันนั้นก็คงจะไม่ค่อยมีแล้วลเพราะว่าไม่ค่อยจะทอหรือทอก็ไม่ค่อยจะเป็นอยู่แล้ว ก็มีอยู่ในบางบแถวจนบทยังมีทอเอได้ไม่ต้องซื้อจากตลาดแต่ก็น้อยเหลือเกินทุกวันนี้ก็ไม่มีการทอเพราะส่วนใหญ่ก็ไปซื้อไปได้มาจากร้านจากตลาดแล้วนะแต่ที้เราก็ถามก็ต้องศึกษาเพื่อจะได้รู้ว่าในสินคาบทนี้ท่านพูดอย่างไรก็เป็นประโยชน์ในการที่เราจะต้องใช้ในการสอบนักธรรม นะสิขาบทที่เจ็ดต่อไปสิขาบทที่เจ็ดความว่าถ้าขรหัสที่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่บวรณาสั่งให้ช่างหกทอจีวรเพื่อจัดวาวแก่พิสุกถ้าพิสุกไปก็ต้องให้เขาทำให้ดีขึ้นเพืยกจะให้รางวัลแก่เขาตรงนี้สกิยญป่าจิตติอันนี้ก็ไม่ตามกับสิขาบทที่แปดเหตกจีวรว่าซึ่อันนั้นก็ ไปให้เขาทําให้ดีขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทออันนั้นเขาทําอ่าเขาซื้ออยู่แล้วเขาจะซื้อมาถวายแต่บาให้ก็เขางทุนซื้อถวายจะดีกว่ามีวจะดีกว่าแพงกว่าแต่ในสิขายบทนี้นนให้เขาทอแต่ทอให้ดีกว่านะทอให้ดีแล้วก็จะให้รางวัลแก่เขาก็หมายถึงจ้างเขานั่นเองให้ทำจีวรแก่ต้นอย่างนี้ท่านๆในสิขาบทนี้ก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันในการที่จะ ไปใช้ไปจ้างให้ก็ทำแล้วก็จใหรางวันแก่เขาเ อ, อ่อสิขาบทที่เ อ, อ่อที่เจ็ดเ อ, อ่อสิขาบทที่แปดังปฏิวัตินี้ว่าถ้าอีกสิบวันจะที่วันประวัรนานะคือตั้งแต่ขึ้นบคคําเดือดจัดถึงเ อ, อ่อถ้าทายุรีจะถวายผ้าจำงนงพัรษาก็รับเก็บไว้ได้แต่ถ้าเก็บไว้ให้เกินการจีนวนไปต้องนี่จะกียบาจิตีก การจีวันนั้นก็คือถ้าจดจำภรสาแล้วก็ถ้าไม่ได้ตามกฐินก่อนนับตั้งแต่วันประวัติลาไปวันหนึงคือตั้งแต่ของข้าหนึ่งเดือนสิบอดถึงลาเดือนส mm ิบสองก็ความกำหนดในสิขาบทนี้ก็มีสิ่งที่ควรกำหนดจดจำเอาไว้ในการที่เราจะาใช้ในการสอบหรือในการตอบปัญหาก็คือ เออเกี่ยวกับการออกผ้าจำนำพรรษาผ้าจำนำพรรษาผ้าวัดติกะสาติกาวัดสาวาติกะเนี่ว่าผ้าจำนำพรรษาผ้าจำนำพรรษานั้นที่จริงสมานิาตไว้ให้ถวายแก่ปิสุผู้ออกพรรษาแล้วผู้ที่จังรรษาครบใจมากออกพรรษาแล้วจึงถวายผ้าจำนำพรรษาแก่ปิสุเหล่านั้นแปลว่า ในสิขาบทนี้ให้ถวายก่อนได้ก่อนออกพรรษาได้สิบวันคือตั้งแต่ขึ้นหกขั้นเบลสิบเอ็ดที่เรียกผ้ากำลังพรรษาที่ถวายก่อนออกพรรษานี้เรียกแปลกออกมาอีกเป็นผ้าอเจกจีวอนที่เรียกผ้าเจกจีวอนแปลว่าจีวอนรีบนคือรีบนอนจะถวายก่อนก่อนกาหนด ถวายผ้าที่จรินก็เป็นผ้าจํำนำราษาแต่รียบร้อยจะถวายก่อนจึงเรียกผ้านี้ว่าอัจเจกะจีวรคือผ้ารียบร้อยเช่นนี้เหตุจําเป็นที่ผู้ถวายจะต้องรียบทําก่อนจึงไม่ไว้ใจในชีวิตในคราวที่ต้องส่งไปสู้ ส, สตรูลทำสงครามหรือคนที่ท้อแก่มีคําแก่ไม่แน่ใจในชีวิต ก็อยากจกัดถวายก่อนอย่างนี้ก็ให้รับไว้ได้ก่อนเมื่อรับไว้แล้วก็นะอยากเก็บไว้ให้เกินการจีวรไปนี่รับไม่ได้นะผ้าอันนี้มาอันเจกะจีวรจีวรเรียบร้อนที่จริงก็เป็นผ้าจำนำพรนศานั่นเองนะก็เพิทราบเอาไว้อย่างนี้จะได้รู้ว่าผ้าเจกจีวรคือผ้าอะไร ผ้าเจ็ดยีนวลก็คือผ้าจำนำปัญษาแต่เป็นผ้าที่รีบร้อนถวายก่อนกำหนดนะก่อนออกปัรษาแต่ก่อนออกปัญษาก็คือก่อนแค่10บวันเท่านั้นไม่ให้ก่อนมากกว่านั้นนะฉะนั้นส <c oughs> ืขาบนนี้ก็ทรงอนุญาตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เอ่อความมนแน่ใจในชีวิตหรือให้ประโยชน์พิเศษแก่ผู้มีสถานเกิดขึ้นกับทันหัน นะให้ทำการถวายได้แล้วก็เก็บไว้ได้ในการจีวรเท่านั้นก็ได้กล่าวแล้วว่าจีวร อ, อ, อ, อาเจคจีวร น, นั้นคือจีวรที่ทายกมีเหตุจำเป็นจะต้องรื้ถวายจีวรนะก่อนกำหนดสมรญ า, าให้รับรุ่ง น, นั้นได้ในสิกาบทนี้นะ แล้วก็ต่อไปสิขาบทที่เกา้กาสิขาบทที่เก้าพิสุีจำพรรษาในเสนาสนะป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวออกพรรษาแล้วอยากจะเก็บปลายีวอถึงใดถึงหนึ่งในบ้านเมื่อมีเหตุก็เก็บไม่ได้เพียงหกคืนถ้าเอาเป็นอย่างมากถ้าเก็ไม่เกินนั้นไปก็ต้องมีสกิริยป่าเจตีข้อความที่ควรกาหนดในสิกขาบทนี้ก็คือเสนาสนะป่าเสนาสนะป่านั้นในกำพิมพ์ทางกล่าว่ามีระยะไกลถึงห้าร้อยชุดธนูแต่อย่างน้อยชุดธนหนึ่งก็มีสี่ซอกนหนึ่งว่า วัดเ อ, อมืองทางที่ไปมาตามปกติไม่ใช่ละแต่เขาบอช่วธนูก็ใช่ช่วยิงธนูนั้นช่วตัวของธนูนะนั้นถ้าร้อยชั่วธนก <ๆ S 1> กูก็เท่ากับยี่สิบห้าเส้นนะเรียกว่าเสนาสนะป่านำประโยชน์ในสุขาบทุกขพิสุเ อ, อที่ทรงได้เศนาสนะเช่นนั้นได้ประโยชน์พิเศษเพื่อจะอยู่ปราศจากประรยนุนโทษมอีกหกคืนตามพุทธานุญาตในสุขาบทนี้ สีข่ขาบทที่สิบซึ่งเป็นสิข่ขาหทดจุดท้ายในปตัตนวัตมีว่าพิกสูรยู่น้อนราบที่เขาจะถวายสมมาเพิ่อตอิมต้องนิส ก, กีนิปาจิตีนะที่ควรกําหนดในสีข่ขาหทนี้ก็คือลาบที่น้อมมานะราบในที่นี้หมายถึงปัจใจสี่ของที่เป็นกปะะ ME, นะัปปยะอื่นๆอีกนะปัจใจสี่ก็จีวนนันวินทบาทไชนาชนะและก็คีรันเภสัเรียกว่าราบในที่นี้ นิอาการที่น้อมมาก็คือท่านน้อมลาบที่เขาถึงไว้ด้วยตั้งใจจะถวายสงฆ์แต่ยังไม่ทําจะถวายน้อมมาเพื่อต้มเสีย้ เ, เป็นวิสขียังปาจิตีนะอ่าถ้าน้อมลาบเหล่านั้นน้อมลาบที่เขาจะถวายสงฆ์ไปเพื่อสงฆ์คอืน่นไปเพื่อเจดียเป็นอาบัตทุกก์ถ้าน้อมไปเพื่อบุคคลอืน่นก็เป็นอาบัตเปลายปี ในวัน้อมลาบที่เขาจะถวายสงมาเพื่อตนเป็นลิสคิยะปาย่าปีปีถ้าน้อมลาบที่เขาจะถวายสงไปเพื่อบุคคลคนองใดองหนึ่งเป็นป่ิปีน้อมลาบที่เขาจะถวายสงไปเพื่อสงบอืคลหรือเพื่อเจดียเป็นอาบัตทุกกฎอ น, นี้ก็เป็นทราบนะที่ข่าวบทนี้ก็มักจะออกตอบออกสอบบ่อยๆตกือบจะทุกปีเลยทีเดียวก็เป็กนกาหนดจดจาเอาไว้ สำหรับวันนี้ก็เวลาก็หมดลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่เพื่อนสหธรรมิกที่ศึกษาพระธรรมชั้นตรีทุกทุกท่านทุกทุกวงเทืน